สัตกาวาระว่าด้วยหมวดเจ็ดอาบัตมีเจ็ดกองอาบัตมีเจ็ดวินแตะวัตุมีเจ็ดสามีจิกรมมีเจ็ดทำตามปฏิญญาไม่ชอบทำมีเจ็ดทำตามปฏิญญาชอบทำมีเจ็ดบุคคลเจ็ดจำพวกภิกษุไปด้วยสัตหกรรียะไม่ต้องอาบัตทรงวินัยมีอนิสงส์เจ็สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีเจ็ด เพราะอารุณขึ้นไปเสิ่งของเป็นนิสักคีมีเจ็ดสมถะมีเจ็ดกรรมมีเจ็ดเข้าเปลือกติดมีเจ็ดสร้างกุฏิด้านกว้างภายในเจ็ดคืบคณะโพชนะมีอนุบัญญัติเจ็ดภิกษุรับประเคนเพสัตชแล้วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุถือเอาจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลบหนีไปเก็บจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลบหนีไปภิกษุไม่เห็นอาบัตภิกษุเห็นอาบัต พิสุทาคืนอาบัตการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีเจ็ดการงดปาติโมกชอบธรรมีเจ็ดว่าด้วยองค์ของพระวินัยทรภพิสุประกอบด้วยองค์เจ็ดเป็นพระวินัยทรได้คือ 1. รู้อาบัตสองรู้อนาบัตส 3. รู้อาบัตเบาสรู้อาบัตหนักหมีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียพร้อมด้วยอาจารระและโคจร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 ภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดแม่อื่นอีกเป็นพระวินัยทอนได้คือหนึ่งรู้อาบัตสองรู้อนาบัตสรู้อาบัตเบาสรู้อาบัตหนักหเป็นพระหูสูตรทรงสุตะมีการสั่งสมสุตะเธอได้สะดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามในเบื้องต้นงามใน่้ำกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอาาัฏ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 ภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดแม่อื่นอีกเป็นพระวินัยทอนได้คือ 1. รูอรรอาารร้อาบัติสองรู้อนาบัติสรู้อาบัติเบาสรู้อาบัติหนัก 5. าจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดี 5. จำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 6. ได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะ ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็แม่อื่นอีกเป็นพระวินัยทอนได้คือ 1. รู้อาบัตสองรู้อนาบัตส 3. รู้อาบัตเบาสรู้อาบัตหนักหาระลึกชากนได้หลายชาติ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 มีตระกูลอย่างนี้มีวันละอย่างนั้นอย่างนั้นมีอาหารเสวยสุทุกมีกำหนดอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจารพบนั้นไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีโคตมีผิวมีอาหารเสวยสุทุกมีกำหนดอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจารพบนั้นมาเกิดในภพนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะและชีวประวัติด้วยประการฉนี้ห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 ไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังอุบัติทั้งชั้นต่ําทั้งชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิ่อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้เจตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระวินัยทรประกอบด้วยองค์เจดย่อมงามคือ 1. รูอรอาาร้อาบัติ 4. รู้อนาบัติ3รู้อาบัติเบา4รู้อาบัติหนัก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 3. รู้อาบัตเบา 4. รู้อาบัตหนัก 5. ้าระลึกชาติก่อนได้หลายชาติและถึงย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัตทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 7. ทําทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยอาสัตธรรมและสัตธรรมอาสัตธรรมมีเจ็ดประการคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริความละอายบาปสามไม่มีโอตตปะความเกรงกลัวบาปสได้ยินได้ฟังมาน้อย 5. เกียดคร้านหหลงลืมสติ 7. มีปัญญาเคลา ศรัทธามีเจ็ดประการคือหนึ่งมีศรัทธาสองมีหิริสมีโอตปะ 4. เป็นพหูสูรได้ยินได้ฟังมามากหาปรารบความเพียรหมีสติตั้งมั่น 7. มีปัญญาศัตกะวาระจบหัวข้อประจำวาระอาบัดกองอาบัดวินีตะวัตถุสามีจิกรรมทำตามปฏิญญาไม่ชอบทำ ทำตามปติญญาชอบทำไปด้วยสตหะกรณิยะไม่ต้องอาบัตอานิสงการทรงวินัยสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งอรุณขึ้นสิ่งของเป็นนิสักีสมถะกรรมเข้าเปลือกดิบสร้างคดีด้านกว้างคณะโพชนะเก็บเพสัตวไว้ได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุถือเอาจีวรไปเก็บจีวรแล้วหลีกไปภิกษุไม่เห็นอาบัตเห็นอาบัต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 กวาระว่าด้วยหมวด8ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นอนิสงแปดไม่พึงลงโอเคปัิญกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นอนิสงแปดพึงแสดงอาบัตินั้นเพราะเชื่อผู้อื่นอาบัตสังฆาทิเศตเป็นยาวะตะติยกะมี8ประจบตระกูลด้วยอาการ8จีวรเกิดขึ้นมีมาติกา8กระถินเดะมีมาติกา8 น้ำปานะมี8ชนิดพระเทวทัตมีจิตถูกอสทธรรม8ดอย่างครอบงำย่ำยีจึงไปเกิดในอบายตกนรกชั่วกับแก้ไขไม่ได้โลกธรรมมี8ครุธรรมมี8อาอับดปาติเทสนิยะมี8มุสาวาตมี8องค์อุโบสถมี8องค์แห่งทูตมี8วัดแห่งดิรถีมี8อาชิริยะอภูตธรรมในมหาสมุตรมี8 อาิริยะอภูตธรรมในพระธรรมวินัยนี้มี8ปดพัตตาหารที่ไม่เป็นเดนมี8ปพัตตาหารที่เป็นเดนมี8เพศสัตเป็นนิสักขีเมื่อรุ่งอรุณมี8ปดปราชิกมี8ภดพิสุณีทําวัตถุครบทั้ง8สงเพึงให้นาสนะเสียภิษุณีทําวัตถุครบทั้ง8แม้แสดงอาบัตแล้วก็ไม่เป็นอันแสดงอุปสมบทมีวาจา8เพึงลุกรับภิกษุณี8ปดจำพวก พึงให้อาสนะแก่ภิกษุณี8จำพวกอุบาสิกาขอพร8ภิกษุประกอบด้วยองค์8สงพึงสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีการทรงวินัยมีอนิสงแปดสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี8ภิกษุผู้ถูกลงตัดสปาปิยสิกากรรมพึงประพฤชอบในธรรม8ประการการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมี8การงดปฏิโมกชอบธรรมมี8 อัธกะวาระจบหัวข้อประจำวาระเมื่อเห็นอนิสงไม่ลงอุเคปเนียกรรมภิกษุนั้นพึงแสดงอาบัตเพราะเชื่อผู้อื่นอาบัตสังคาธิเศเป็นยาวะตะติยกะการประจบตระกูลมาติกากระถินดอกน้ำปานะอสัตธรรมครอบงำโลกธรรมครุธรรมอาบัตปาติเทสนิยะมุสาวาตอุโบสถองแห่งทู วัดแห่งดีรษีมหาสมุทรอภูตรธรรมในพระธรรมวินัยพระตาหารไม่เป็นเดนพระตาหารเป็นเดนเพศัดเป็นนิสักขีปาราชิกภิษุนีทำวัตถุครบทั้ง8แสดงอาบัติแล้วไม่เป็นอันแสดงอุปสมบทลุกครับให้อาสนะพรสมมติให้เป็นผู้สอนอนิสง์การทรงวินัยสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งประพฤชอบในธรรมแปด การงดปฏิโมกข์ไม่ชอบธรรมการงดปฏิโมกข์ชอบธรำหมวด8พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว 9. นวกะวาระว่าด้วยหมวดเกอาคาตะวัตถุมีเก้าอุบายกำจัดอาคาตวัตถุมีเก้าวินีตวัตถุมีเก้าอาบัสังคาทิเศตเป็นปฐมาปฏิกะมีเก้าสงแต่กันเพราะภิกษุเก้ารูป โพชนะอันปรณีตมีเก้าเป็นทุกกฎเพราะมังสะเก้าชนิดปาติโมคุเทศมีเก้าสิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมีเก้าธรรมมีตัณหาเป็นมูลมีเก้ามานะมีเก้าจีวรที่ควรอธิษฐานมีเก้าจีวรที่มิควรวิกัปมีเก้าจีวอนขณะพระสุคตยาวเก้าคืบการให้ไม่ชอบธรรมมีเก้าการรับไม่ชอบธรรมมีเก้า การบริโภคไม่ชอบทำมีเก้าการให้ที่ชอบทำมีเก้าการรับที่ชอบทำมีเก้าการบริโภคที่ชอบทำมีเก้าข้อตกลงที่ไม่ชอบทำมีเก้าข้อตกลงที่ชอบทำมีเก้าหลักทำหมวดเก้าในกรรมที่ไม่ชอบทำมีสองหมวดหลักทำหมวดเก้าในกรรมที่ชอบทำมีสองหมวดการงดปฏิโมกไม่ชอบทำมีเก้ารงดปฏิโมกชอบทำมีเก้า นวกะวาระจบหัวข้อประจำวาระอาคาตวัตถุอุบายกำจัดวินีตวัตถุอาบัตเป็นปฐมาปาติกะสงแต่กันโพชนะอันปราณีมังสะอุเทศสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งตันหามานะอธิฐานวิกัปจีวงขนาดพระสุคตการให้ไม่ชอบธรรมการรับไม่ชอบธรรม การบริโภคไม่ชอบทำการให้รับและบริโภคที่ชอบทำอย่างละสาข้อตกลงที่ไม่ชอบทำข้อตกลงที่ชอบทำสามทำเก้าหมวดกรรมที่ไม่ชอบทำสองหมวดการงดปฏิโมกไม่ชอบทำการงดปฏิโมกชอบทำ ทัศการะว่าด้วยหมวดสิบอาคาตวัตถุมีสิบอุบากรรมจัดอาคาตะวัตถุมีสิบวิเนตวัตถุมีสิบมิชชัทิฐิมีวัตถุสิบสัมมาทิฐิมีวัตถุสิบอันตคาหิกะทิฐิมีสิบมิฉัตะมีสิบสัมมตะมีสิบอกุศลกรรมบทมีสิบอุศลกรรมบทมีสิบจับสลากไม่ชอบธรำมีสิบ จับสลากชอบทำมีสิบเสียขาบทสำหรับสมณเณรมีสิบสมณเณรประกอบด้วยองค์สิบเพึงให้นาสนะว่าด้วยองค์ของพระวินัยทรพระวินัยทรประกอบด้วยองค์สิบนับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน2ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น 3. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน ทั้งไม่กําหนดที่สุดถ้อยคําของผู้อื่นแล้วปรับอาบัตสี 4. ปรับอาบัตโดยไม่ชอบธรรม 5. ปรับอาบัติไม่ตามปฏิญญา 6. ไม่รู้อาบัตเ7ไม่รู้มูลของอาบัตแปไม่รู้เหตุเกิดอาบัตเ9ไม่รู้การระงับอาบัตสิบไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัติพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์สิบนับว่าเป็นผู้ฉลาด คือหกำหนดที่สุดถ้อยคำของตน 2. กํกำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น 3. กํกำหนดที่สุดถ้อยคำของตนทั้งกำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่นแล้วปรับอาบัตส 4. ปรับอาบัตตามธรรม 5. ปรับอาบัตตามปฏิญญา 6. รู้อาบัติ 7. รู้มูลของอาบัตแ 8. รู้เหตุเกิดอาบัตเ 9. รู้การระงับอาบัต สิรู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัติพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์10แม่อีกอย่างก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อธิกรณ์ 2. ไม่รู้มูลของอธิกรณ์ 3. ไม่รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 4. ไม่รู้การระงับอธิกรณ์ 5. ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกรณ์ 6. ไม่รู้วัตถุ 7. ไม่รู้เหตุข้ามูล แปไม่รู้บัญญัติเก้าไม่รู้อนุบัญญัติสิบไม่รู้ถ้อยคําแห่งอนุสนทิพระวินัยทรประกอบด้วยองค์สิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อธิกร 2. รู้มูลของอธิกร 3. รู้เหตุเกิดอธิกร 4. รู้การระงับอธิกร 5. รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกร 6. รู้วัตถุ 7. รู้เหตุเข้ามูล แรู้บัญญัติ 9. รู้อนุบัญญัติ10รู้ถ้อยคําแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์10บก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่รู้ยัตติ 2. ไม่รู้การตั้งยัตติสไม่ฉลาดในเบื้องต้นสไม่ฉลาดในเบื้องปลาย5ไม่รู้การ 6. ไม่รู้อาบัตและอนาบัตเจไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ9ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ10ไม่ยึดถือไม่ใส่ใจไม่ใคร่ครวนถ้อยคาที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวินัยทนประกอบด้วยองค์สิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคืหนึ่งรู้ยติสองรู้การตั้งยติสามฉลาดในเบื้องต้นสฉลาดในเบื้องปลาย 5. รู้การ 6. รู้อาบัตและอนาบัตเจรู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 8. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 9. รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 10. ยึดถือใส่ใจใครครวนถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวินัยทรมประกอบด้วยองค์สิบก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่รู้อาบัตและอนาบัต 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก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 กไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบสิบไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์พระวินัยทรประกอบด้วยองค์10นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัตและอนาบัต 2. รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบหาจำปฏิโมกทั้งสองโดยพิสดารได้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 ภิกษุประกอบด้วยองค์10บทงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาวิธีพระตถาคตทรงอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายการเข้าไปสู่ภายในพระราชฐานมีโทษสิบทานวัตถุมีส0บรัตนะมีส0บภิกษุสงฆ์มีพวกสิบคณะสงฆ์มีพวกสิบพึงให้อุปสมบทผ้าบังสกุลมีสจีวรสำหรับใช้สอยมีสิบ ทรงอธิเรศจีวรสิบวันเป็นอย่างยิ่งน้ำอสุจิมีสิบสตรีมีสิบพัญญามีสิบภิกษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุสิบบุคคลไม่ควรไหวมีสิบเรื่องสำหรับด่ามีสิบส่อเสีย ด, ด้วยอาการสิบเสนนาสนะมีสิบขอพรสิบประการงดปฏิโมกไม่ชอบรรมีสิบงดปฏิโมกชอบรรมีสิบยาคูมีอนิสงสิบ เนื้อที่ไม่ควรมีสิบสิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมีสิบิกษุมีพันสาสิบฉลาดสา ม, มารถควรให้บรรพชาอุปสมบทควรให้นิสัยควรใช้สามเณรอุปทาภิษุ์พิสูจีมีพันสาสิบฉลาดสา ม, มารถควรให้บรรพชาอุปสมบทควรให้นิสัยควรใช้สามเณรีอุปถาภิษุณสนีมีพันษาสิบฉลาดสามารถพึงยินดีการสมมติการให้บวช ภิกษุณีมีพรรษาสิควรให้ศิกขาแก่สตรีที่มีครอบครัวทัศกาวาระจบหัวข้อประจำวาระอาคาตวัตถุอุบายกําจัดวินีตะวัตถุมิจฉาทิฐิสัมมาทิฐิอันตคาหิกะทิฐิมิจฉั ต, ตะสัมมะตะาตอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทจับสลากชอบธรรมจับสลากไม่ชอบธรรม สิกษาบทของสา ม, มนเณรสา ม, มนเณรที่พึงให้นาสนะถ้อยคํอาอธิกรณ์ยตัตติอาบัดเบาอาบัดเบาอีกอาบัดหนักจงรู้ฝ่ายดำฝ่ายขาวเหล่านี้ไว้ปุพาหิกะสมมุติสึกษาบทว่าด้วยการเข้าไปภายในพระราชฐานฐานวัตถุรัตนะคณะสงฆ์มีพวกสิบคณะสงฆ์มีพวกสิบให้อุปสมบทผ้าบางสกุล จีวรสำหรับใช้สอยทรงอติเรกสิบวันน้ำอสุจิสตรีพัญญาวัตถุสิบบุคคลไม่ควรไหว้เรื่องสำหรับดาการส่อเสียดเสนาสนะขอพรการงดปาติโมกไม่ชอบธรมการงดปาติโมกชอบธรมยาคูมังสะสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งภิกษุภิกษุณีให้อุปสมบทสตรีที่มีครอบครัวหมวดสิบ พระผู้มีพระภาคทรงประกาศไว้ดีแล้วแล้ 11. เอากาทศกวาระว่าด้วยหมวดสิบเอ็ดบุคคลที่ยังไม่ได้อุปสมบทไม่พึงให้อุปสมบทมีสิบเอ็ดจำพวก ที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียเขียงเท้าไม่ควรมี1 1ชนิดบาทไม่สมควรมี11ชนิดจีวรไม่สมควรมี11ชนิดสิกขาบทเป็นยาวตติยกะมี11พึงถามอันตรายกะระทำสิบเออย่างของภิกษุณีจีวรควรอธิษฐานมี11บเ็จีวรไม่ควรวิ ก, กับมี11จีวรสิชนิดเป็นนิสกีเมื่ออารุณขึ้น ลูกด่มที่สมควรมี11ชนิดลูกถวิลที่สมควรมี11ชนิดดินไม่สมควรมี11ดินที่สมควรมี11การระ ง, งับนิสัยมี11บุคคลไม่ควรไหว้มี11ศสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี11ขอพร1 1ประการสีมามีโทษ11อย่างบุคคลผู้ด่าบริภาต้องได้รับโทษ11อย่าง เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานพาณะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังอนิสงส์ส1บประการคือหนึ่งหลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุขสมไม่ฝันร้ายสเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา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 สั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังอนิสงส์ส1็ประการนี้แหลเอกาทศกวาระจบหัวข้อประจำวาระผู้ที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเขียงเท้าบาทจีวอนศึกขาบทเป็นยาวตติยกะพึงถามอันตรายกธรรมจีวอนควรอธิษฐานจีวอนไม่ควรวิ ก, กัปเป็นนิสักคีเมื่ออรุณขึ้นลูกดุมลูกทวิน ดินไม่สมควรดินสมควรการระ ง, งับนิสัยบุคคลไม่ควรไหว้สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งพรสีมามีโทษบุคคลผู้ดา่าอนิสงเมตตาจัดเป็นหมวดสิบเอ็ดเอกุตริกะจบหัวข้อลำดับหมวดหมวดเอกุตริกะไม่มีมนทินคือหมวดหนึ่ง มวดสองมวดสามมวดสี่มวดห้ามวดหมวดเจ็ดมวด 8, ดมวดเก้ามวดสิบมวดสิบอ็อันพระผู้มีพระภาคผู้มหาวีระมีพระธรรมอันปรากฏแล้วผู้คงที่ทรงแสดงไว้แล้วเพื่อความเกื้อกูลแสรรพัตส์แลเอกกตริกะจบ สถาทีปุจชาวิสัชนาคำถามคำตอบเรื่องอุโบสถเป็นต้นอาธิมัชชะปุชนะว่าด้วยคำถามถึงเบื้องต้นท่้ำกลางและที่สุดถามอุโบสถกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดปวารณามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด ปัจฉิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดปัปภาชนิยกรรมม okay. well, ีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดปฏิสารณิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอุเคปนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด การให้ปริวาสมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการชักเข้าหาอาบัติเดิมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการให้มานัตมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอภานมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอุปสัมปทากรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด การระงับตัดชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับนิยสกกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับปัปพาชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับปฏิสารณียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับอุเคปนิยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป ELL ็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดสติวินัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอโมลหะวินัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตาสปาปิยัสกามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตินาวัฏารกะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด การสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมติไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมติสันทัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมติทิ้งรูปียะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด การสมมติให้รับผ้าสาดกมีอะไรเป็นเบื hmm. <st> ้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติให้รับบาดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติไม้เท้ามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมติสาแพรกมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมติไม้เท้าและสาแพรก มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอาทิมัชันตะวิสัชนาว่าด้วยคำตอบถึงเบื้องต้น่้ำกลางและที่สุดถาม อุโบสถกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอุโบสถกรรมมีสามัคคีเป <ta> ็นเบื้องต้นมีการกระทำเป็นท่้ำกลางมีความสําเร็จเป็นที่สุดถามปวรณามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบปวรณามีสามัคคีเป็นเบื้องต้นมีการกระทำเป็นท่้ำกลางมีความสําเร็จเป็นที่สุดถาม ตาชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตัชนิยกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบนิยสกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุด ถามปพาชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบปพาชนิยกรรมมีวั ram, mosque, Tokyo, <lives> ตถุและบุคคลเป็นเ <về> บื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามปฏิสารณิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบปฏิสารณียกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอุเคปั <im> <im> <im ิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอุเคปัิยกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการให้ปริวาสมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการให้ปริวาสมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการชักเข้าหาอาบัติเดิมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการชักเข้าหาอาบัติเดิมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการให้มานัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ การให้มานัดมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอภานมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอภานมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอุปสมปทากรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุด ตอบอุบปสมปทากรรมมีบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับตัชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับตัชนิยกรรมมี wow. ความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับนิยสกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับปัปพาชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับปัปพาชนิยกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุด ถามการระงับปฏิสารณิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับปฏิสารณิยกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียัติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับอุเคปนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับอุเคปณยกรรม มีความประเพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามสติว ah ินัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบสติวินัยมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นถ้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอโมลหะวินัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ อโมลหะวินัยมีวัตถุและบุคลบลลบคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามตัสปาปิยะสิกามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตัสปาปิยะสิกามีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามตินนวัธารกะ มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตินนวถารกะมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียาติเป็นถ้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียาติเป็นท่้ำกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมติไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่ํากลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่ํากลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมติสรรถัตมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ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 ม you know ีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่ํากลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติให้รับภาษาดกมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่ํากลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมติให้รับบาตรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่ํากลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติให้รับบาตรมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติไม้เท้ามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมุติไม้เท้ามีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียาติเป็นท่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติสาแหรกมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติสาวแรก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติไม้เท้าและสาแหกมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติไม้เท้าและสาแหกมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่้ำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดอุโปโสถาธิปุชาวิสัชนาจบ